หัวเรื่องปัตตาบรีก็คืออิสริยะกามัการิกาคาถาจริงรวมกันก็แปลว่าเรื่องเหตุกระทำความใครในความเป็นใหญ่เรื่องนี้มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันและในตรกัถาเองก็ไม่ได้แก้อะไรไว้เท่าที่ควรนะครับอ่านตระกษตถาก็ไม่เข้าใจอ่าน คาแปลอ่านคําอธิบายในที่อื่นบางท่านที่เขียนย่อไว้อะไรไว้ก็ไม่ได้ให้ความกระจาัางเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมจึงเคยสรุภาพว่าเป็นเรื่องเดียวในหนึ่งร้อยสิบเก้าเรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าผมอธิบายไปนั้นจะถูกต้องสักแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ก็ได้พยายามเก็บอธิบายเชื่อมโยงผสมประสานเรื่องออย่างที่เท่าที่สามารถจะทําได้นะครับ เรามาทําความเข้าใจหัวเรื่องกันก่นกอนเพราะว่าคําพูดแต่ละคํำนั้นมีความหมายที่อาจจะตีความหมายได้เป็นหลายอย่างทางนั้นคําว่าอิสริยะอิสริยะซึ่งหมายถึงความเป็นใหญ่หรืออิสระภาวะนะครับที่เราพูดกันทั้งนั้วัาอิสระภาษาไทยมาแก้เติมเขาว่ า, าพาเราไปโดยอิสระภา พ, าพหรือบางทีก็พูดว่าอิสระเตรี เราก็ทําความเข้าใจคำนีมม้กันก่อนจะตีเห็นว่าคํานี้มีความหมายกวา้างทั้งที่ปราอกฏอยู่ในคำพูดทางศาสนาเองแล้วก็ทั้งที่เป็นความเห็นมันเป็นความหมายอื่นแฝงอยู่พอตีแม่แต่แล้วก็ตีความเรื่องนี้ไม่ชัดเจนเราก็ดูไปโดยลําดับจิตสระหรืออิสเรียกนะครับ อิสระคำนี้หมายถึงความเป็นใหญ่แก่ผู้นึ่งความเป็นใหญ่แก่ผู้อื่นหรือต่อผู้อื่นเกีาาเ่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินเ่ยเป็นอิสรเป็นใหญ่ต่อบญญรรดาประกาชนทั้งหลาหรือเจ้าวาดก็เป็นใหญ่เป็นอิสระของลูกวัดทั้งหลายหรือชาวพุทธเราเวลาเรา สเสริมเสริมให้ดูรีบุ๊คได้ยาว่าวเราต้องมีคํากล่าวว่าพระพุ้งนิ้วปากนั้นเป็นอิสระเหนือข่าอีกคำหนึ่งที่เราพูดพร้อมกันไปแต่ถ้าไม่รู้ธรรมะพอดีก็อาจจะมองไม่เห็นความล่ะคือคําว่าเสรีเสรีนั้นเป็นความเป็นใหญ่แก่ตน่เป็นเรื่องของความใหญ่งูกลาแก่ตนเีงหรือแก่ตัวเองคือจะไปที่ไหนก็ได้ และไม่มีคนที่อยู่ในปกครองเลยก็ยิ่งจะถอดดูเป็นเสรมักึ้นอย่างพระพุทโดงเนี่ยท่านใน่มีประเด็นท่าไม่มีประเด็เดที่จะไปปกครองไปตางการกใดแต่ท่านจะไปไหนมาไหนได้อันนี้ถือว่าเป็นเสรีท่านเป็นราษฎรเสรีคือความเป็นใหญ่แทนตนัวเองทีนี้อิสลักกับเสรีนั้นะเป็นของที่คู่กันได้ไหรือไม่อนที่รู้จะไม่ชวนผิดกันนะครับ ว่าสออยา่างมันจะไปไม่ได้ทุกทีไว้ที่เราพูดประกอบเลยสลัดเสรีก็ทีนี้เรามาดูก่อนที่จะพูดถึงสก็พูดให้เป็คปนควา ม, าาามรู้ในทางธรรมะเรามเข้าไปในเรื่องนีน้ในคำพีจุลนีเทศได้พูดถึงคำ ว, ว่าเสไว้เพื่อเสรีนั่งมีสองอ ย, อย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าบุคลาเสรีบุคลาเสรีหรือบุคลบคลพูดเสรี ขั้นสองธรรมเสรีคือธรรมะเสรีและธรรมะเสรีนั้นองค์ธรรมได้แก่โพธิปัฏฐานสามสิบเจอันนี้เรคุ้นเคยดีนะอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นธรรมะเสรีทำไมเขเรียกว่าธรรมะเสรีก็ว่าเป็นธรร ม, รรมที่แต่ยังบุคคลนั้นให้เป็น บุคลาเสรีถามว่าบุคละเสรีคืออะไรบุคละเรเส ร, เรีก็คือบุคคลผู้ถือครองด้วยธรรมเสรีเรียกว่าบุคลรเสรีใย่ตรนี้เป็นคำภาในทางภุมาสตร์ตีใน น, นักปฏิบัติเอย่างนั้นถ้าเราไปจะเลย ใ, นใรนะครับจะพูดืออ่องเรีหมาว่าเีบเามาดูคาว่าอิสระที่เป็นปัญหาค่อข้า ง, งจะ ลึกเล่นซะหน่อยความจริงเ้าไม่ได้เลื่อนเคือนอะไรมากแต่ว่าความหมายของของคเนี้ค่อนข้างจะเล่นลับนหน่อยยิสาักษ์หรือิสระรที่มีความหมายในทางศาสนาเป็นขประมวลมาทาั้งในส่วนที่ใช้จริง ใ, ในทำจรีงทงศาสนาแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นความเห็นที่พูดถึงในศาสน้ด้ว ย, อ, ยอิสระรอย่างหนึ่ง ท่านหมายถึงอิสระนิมานะหรืออิสระนิมิตะอนนมาน้นิดๆนะินิมานานิตะใครที่มีความเห็นอย่างนี้ก็เรียกินิมิต ะ, ะวัีหรือินิมิตะนาวัดีตรงนี้นัน หมายถึงพระอิสลามมีมานะเนี่ยนะครับคือเป็นใหญ่ในกางนี้ซึ่งหมายถึงกระจกเจ้าเมื่อเราเรียกพระจาา้าอาจารย์ใช้ใความหมายในชื่อของพระเจ้านั้นอาจจะเป็นเรื่องแรกเรื่องเดิมทีคือใครจะต่อใครผมก็ไม่กล้ายืนงันแต่ว่าที่ใช้เ็อย่างคุ้นคุ้นมาแต่เดิมทีเดียว เราได้ยินคาว่าอิสลัสาที่ภาษาแ e ่อีกภาษาหนึ่งก็ใช้คาว่าอีสวนหรือพระอีส่วนซึ่งเป็นพระเจ้าองคหนึ่งในศาสนาครับซึ่งเขาเรว่าพระอีสวนนั่นเป็นผู้สร้างเป็นผู้นี้เจนอิสล่าหรือผู้นั้นเจนใหญ่แก่โลกและสิ่ทั้หสร้างก็ได้หรือจะยักย้ายปรัดเปลี่ยน ยังไงก็ได้นะจะให้คนนี้มาเกิดก็ได้จะให้คนมาเกิดอยู่ตายไปที่ไปอยู่พระเจ้าที่ไหนยังไงก็ได้เพระเาะฉะนั้นนี้สิ่งไม่จริงของปอีกตัวอีกอย่างนึงความหมายได้เลยไปถึงพระเจ้าของอ์หนึ่งคือพระผู้ น, นี้นั่นเองเอาความว่าพระเจ้าือเพราะว่าพระเจ้านะั้นที่เราเรียกว่าพระเจ้าคือเป็นอย่างสุด สามารถจะนี้นทุกสิ่ย่างไดพระนักขราเจ้าอื่นก็เรียกว่าจิสละด้วยเพราะเหตุนั้นในบาลีคําว่าอิสระนีมานะวาทะหรืออิสระนี่มานะวาตีหรือพวกที่มีวาทะมีความเห็นว่าพู้มีอิสระนี้มีขึ้นเกิดาความผู้ความตัวผู้มีอิสระนี้ขึ้นโลกผู้มีอิสระนี้ขึ้นสัตว์ผู้มีอิสระนี้ขึ้น คำอิสระที่โรงรตรัรูนี้ไม่ได้หมายถึงพระดีวแต่หมายถึงพระเจ้าที่รักที่พวกใดที่ถือพระเจ้าใดเป็นใหญ่เป็นผู้ในโลกก็ไระเจ้าองนั้นแหละใครเห็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอิสระที่มานักวาีนี่เป็นความหมายหนึ่งคือพระเจ้าสองอิสระ เป็นชื่อของชนพวกลุ่เรียกว่าอิสระชนชนหรือบุคคลผู้เป็นอย่างซึ่งไม่ใหญ่ใหญ่ในระดับยิ่งใหญ่อิสระชนได้แก่ใครคือกษัตริย์เป็นต้นกษัตริย์นี่เราโดยทั่วไปจะใช้หมายวิกษัตริ์แต่ว่าใครที่อัในใหญ่ใหญ่ลบหลังเนลงลงมากกว่านั้นก็เรียกอิสระเหมือนกัน อย่างเช่นว่ากลางที่กษัตริย์ทรงพระราชทานบ้านรวยให้ไปปกครอ ง, องหรือกษัตริย์ที่ไม่ได้รับม ร, าา ร, ก ร, รดก า, า ร, ร, ร อ, อ, อิสเด็กกษัตริย์ที่ใน้รับมรธาริสเด็กกษัตริย์ที่ใหญ่กว่าพระราชทานให้ไปปกครอ ง, อ, งอย่างเช่นพระเจ้าปัทพระเจ้าปัญญาิทธิ์ต้น อ, อย่างนี้ก็เขาจะได้สลับได้เพราะฉะนั้นอีสลับอย่างหนึ่งจึงหมายจึงเป็นมาสลับ ที่เป็นอิสระคือเป็นอย่างใ น, นแง่ของโลงอิสระอีกอย่างหนึ่งคือกระบวนเร้าความเป็นกอะบวนเจ้าหรือผู้ที่เป็นกระมวนเาเนี่ยเรียกว่าพระนีสวนเพราะอะไรเพราะว่า พระเจ้าเนี่ยบางทีก็ทรงหันพลังฐานะของพระเจ้าหรือคนไะว่าทรงเปลี่ยนฐานะของพระเจ้าทั้งหลายเป็นเดี ย, ย, ยมาเป็นพระองค์โดยทรงสแสดงความหมายใหม่ๆแปลกๆอย่างเช่นว่าอภิภูร์น ะ, ะคำว่าอภิภูร์แปลว่าภูครองงา น, นก็มีชื่อของพระเจ้าอินเดียครับพระเจ้าอินเดียได้หรออิภูร์ยหรื อ, อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้เป็นเองสยามปูหรือพยามปูที่เราเคยผ่านแรงกันผู้เป็นเองพ ร, ระผู้ได้เจ้าก็ทรงขนาลเลนเรียกพระองค์ว่าทรงเป็นสยามปูหรือสยามปูหรือแม้แต่คําว่าลมคําว่าลมซึ่งก็เป็นชื่อแท้ของพระเจ้าในใจองค์งนั่นแหละก็ทรงตราเรียกพระองค์ว่าเป็นทรงพระเรียกปฏิปทาของพระองค์ว่าเป็นทรงอาจาร อ้อย่างนี้เป็นการเรียกว่าดึงขานะนี้ลงลาง่างความสำนึกเกี่ยวกับค่อยทำในสูงเหล่านี้ที่เราไปใช้เปนใหญจะเข้าใจผิดย่งผู่เป็นเองพระเจ้าเป็นเองจริงไหมเป็นไม่จิงแต่พรู้ได้เจ้าเป็นพรู้ได้เจ้าเองนั้จจเนะเป็นจริงทรงครอบงําโลกที่เมือเอยถึงพระเจ้าองค์นึงว่าครอบงาโลกจริงไหมไม่จริง เพราะวาา่าพรเจ้ายังมีโรกอีกโลกใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้านั้นทรงครอบงําโรกคืออารมณ์ตั้งอิจฉาลมและมีอารมณ์ได้จิตไม่ทรงหวั่นไว้ไปกับอิจฉาลมในอารมณ์ในโลกเพราะฉะนั้นค่อยทำเหล่านี้จึงเป็นชื่อของพรเจ้าได้เพราะฉะนั้นในคาถาหนึ่งเนี่ยการที่เขาเอ่ยนี้เขาไปสลาสลายปูดกันนั้นเขามีหลายความหมายปัจจุบันอยู่เราจะต้องดูให้ออกว่าตรงไหนเขาหมายถึงอะไรและสารวัตรีเขาพูดเขาหมายถึงอะไร นะครับแล่วทีนี้เราก็มาดูอีกอย่างที่อิสระโดยหมายถึงคำอิสระหมาย็นทาำเช่นอิอตะเลียสุขังอิตะเลียสุขถ้าในเอกสาว่าสุเองก็รานกเอ่ยถึงคำนี้อยู่ประมาณสามสี่แห่ง จริงๆว่าหลานเป็นผู้ที่ยังสั่งสมกรรมเพื่อความสุขจากความเป็นใหญ่หรือไม่ได้กรรสิสริยะสุขนะฮะอย่างนี้เป็นต้นผู้เป็นใหญ่เพิ่งได้รับความสุขจากความเป็นใหญ่อย่างไรความสุขอันเกิดจากความเป็นใหญ่นั้นเรียกว่าอิสริยะสุขแล้วก็อิสริยะนั้นก็ถือเป็นยกอย่าง เป็นยศอย่างในโลกธรแปดก็เรียกว่าอิสระใหญ่ๆเป็นเรื่องของความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ท่านนี้เป็นเป็นเรื่องของความหมายนะครับทำนี้อย่างนี้เลยเป็นลักษณะอื่นหลายอย่างนะครับที่เป็นอภิสุขก็มีนะครับเช่นมรรคอิสระใมรรความเมาในความเปานใหญ่ก็ได้ ผูเยยเเ้เป็นใหญ่ทีมักจะเมาในความเป็นใหญ่นะครับอย่างที่เราล่ารถล่ารถตู้ในเมืองไทนะนี่ น, นะครับอันนี้เป็นเป็นความหมายของคำว่าอิ ส, สระ ห, หรืออิสระที่ปราดกฏในที่นี้ที่จะต้องกําหนดกันไว้ก่อนในเบื้องต้น โยชนมากอ่าทีนี้อีกคํานึงที่เราต้องพูดกันไว้ด้วยแต่ว่าพวนที่ได้เขียนบกระดานื่กว่าเป็นคําที่ง่ายๆคือคําว่ากา마สกา玛เนี่ยเราดูคําแปลก็ดีหรือดูภาษาบาลีก็ดีอาจจะสำคัญว่าเป็นอกุศลนะคําว่ากาม玛ที่แปลว่าความค่ายความพอใจแปลง ไ, ได้หลายอย่างคํานี้นั้นแต่้นใช้ในบางการณีก็หมายถึงอกุศลแล้วครัแล้วก็ใช้ในบางการณีนั้นหมายถึงกุศลฉันท์นะ คือลงความไม่ง่ายว่าคาว่ากามนั้นกรณีหนึ่งในบางแห่งหมายถึงอกุศลฉันทะความพอใจในวอกุศลและอีกอย่างหนึ่งเป็นกุศลฉันทะสําหรับในที่นี้นั้นความหมายเป็นเรื่องของกุศลฉันทะความพอใจด้วยอำนาจของกุศลหรือฉันทะที่สัมพยุตในกุศลและจิตเรียกว่ากามในที่นี้ต่ใใคล้ายๆจะทำว่าติดขับกามโม่พ่อวางโมติผู้ใคร่การศึกษาเป็นผู้ได้เ กรณีาริกะซึ่งหมายถึงเหตุกระทําเหตุกระทําคือเป็นผู้ที่กระทําคือกระทําหมายถึงยังความใคร่หรือกระทาความใคร่เพราะเหตุนั้นที่เป็นผู้ไม่เคยอยู่เฉยๆไปขวนขวายกระทําความใคร่อาจะกระทําด้วยด้วยใจปรารถนาขวนขวายด้วยใจปรารถนาหรือว่าเปลี่ยนพยายามด้วยกายก็ตามหรือด้วยวาจาก็ตาม เป็นความหมายของกาว่าการิกาในที่นี้เอาความว่าเป็นเหตุเป็นเหตุคือการกระทำอันเป็นเหตุทำอะไรก็คือทำความค่ายทำความพอใจในความเป็นใหญ่นั่นเองในนี้จริงแปลว่าอย่างนี้นะครับสำหรับคาว่าความเป็นใหญ่ที่ประสงค์จะพูดกันในทีน่นี้มันมีความหมายที่ผมจะต้องขอระบุเอาไว้ชางก่อ น, น, นว่า ไม่ได้เกี่ยวกับอิสระคนคือสมมติฐานแต่เขาพูดจึงกันอยู่สองจุดประชวะทีให้ความหมายว่าคือเป็นพระพุทธเจ้าที่บอกการทำความให้ความในาจคือพระพุทธเจ้านั้นทรงได้ยังความพ อ, อใจให้เกิดขึ้นนะครับหรือได้ตรงเตียนในยัง เพื่อความพอใจนั้นด้วยความพอใจนั้นเพื่อความเป็นใจคือเป็นพระธจ้าจึง ท, ทำให้เกิดเกณฑ์ให้นโรโกรธที่จะดนการออกไปมีความหมายหนึ่งที่สถาดวาจีจะดึงความออกมาคือความเป็นใหญ่ในแง่ของธรรมทีตรงนี้ค่อนข้างจะเร็อเล่นหน่อยแต่ว่าเราไปตรว จ, จดูสัก มาดีนะครับก็จะเห็นว่ามีมีเชื้อแถวแล้วก็เนื้อความในนี้ก็สมคอย์ันพอดีหมายถึงใน้านาทจะเราด้อยากเป็นคุณสอกศึกษาก็เพวกหนึงที่มีอยู่สี่อย่างที่ใช้ชื่อของพระมีสวนในมาเรียกได้แก่อาชีบมาดีอาชีพมาดีเรื่อธที่ปฏิเดสี่ นี่นะครับเรียกว่าควา ม, มางใหญ่ด้วนชื่อของพระมีสวนอย่างที่แสดงไวในคาทีไวคอนบาล่เล็กปูนเล็กในควา ม, มออกที่ดีที่สุดอย่ที่แสดงในกระทากระาทาว่าข้ามโเนีร์ดิอะไรเป็นอะไรนะแดีครทีออกอชื่อของ พระเจ้าหรือพระอิศวรเนี้ยมีอยู่ตั้งหลายเจ็ดชื่อไอ้เป็นดอิศวนแล้วก็ชื่ออื่นนะครับอีกหลายชื่อแล้วก็มีคําว่าอธิปตีด้วยอธิปตีคือคู่เป็นใหญ่นี่นะครับพูดเป็ใหญ่นี่แต่ทีนี้คําที่เป็นชื่อของพระอิศวรพวกนี่ยเป็นคาเก่าๆเนี่ยทางศาสนาพูดจะเอามาใช้เรียกชื่อพระพุทธเจ้าบ้าเป็นเป็นพระนามของพระองค์บ้างหรือเอามาเป็นข้อธรรมบ้าง อย่าใช้คณิตมาดีเอามารียกเป็นข้อทําเคืออธิปไตยซึ่งแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งอาจจะใช้คําแทนด้วยคําว่าอิสลักก็ได้หรือไม่ใช้คำก็จะได้ก็อาจจะเรียกแทนกันได้ในหมู่ผู่ที่เขาใช้คําพูดนอกวงการของเราของเราในกนณีทจะใช้เป็นบระกาศกันก็้อเป็นคาที่ชัดเจนแล้ว แต่ว่าคนต่างนิกายเนี่ยเราอย่าลืมนะครับเราไปอ่านที่ไหนมาคำพีมาหายาลเราจะเห็นว่าคําบางคําเนี่ยเป็นคําที่เราพูดและเราหมายความอย่างหนึ่งแต่ว่าของเขาเขาใช้เขมายความอย่างหนึ่งแกมาเจอเจออ่านนะครับหรือไม่ต้องมาหายาลพวกเราันเองอย่างที่เรามักจะไปไปก็ว่าพูดธรรมกัาแล้วไม่ดูเรื่องเหมือนพูดกันคนละภาษาเคยบดนะครับเพราะว่าคํานี้นี่ในทางธรรมะเราหมายถึงยังแต่มาหลักการ แต่เขาจะให้หมายของเขาอย่างอื่นแล้วก็ก็พูดหมายความของเขาอย่างนั้นซึ่งไม่ตรงประหลาดซึ่งไม่ตรงกระหลาดการแปลได้ว่าคําเหล่านี้เป็นศสเทคนิคแตกต่างความกันในแต่ละแขงแต่ละสาขาวานะะฉะนั้นตรงนี้อิสระหมายถึงอะไรบ้างสิ่งอยงซึ่งเป็นอิสระนัะ้นซึ่งก็แปลได้ว่าความเป็นใหญ่ยิง่งซึ่ง ก็จะดึงความกันไปละครับว่าระหว่างเราจะเจ้กเากับอันนี้ก็ดีคือรวมความง่ายๆว่าจะทำความไข่ในความเป็นใหญ่เนี่ยเอาพูด ง, ง่ายๆว่าเพราะทำความพอใจในความ ความเป็นใหญ่แตเป็นใหญ่ตรงนี้นะครับของประว่าิีเขาจะหมายถึงความเป็นภุมิคุ้มซึ่งก็ไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าความหมายตรงนี้ไม่ผิดแต่ได้ผิดในเรื่องของการอ้างเหตุที่จะเป็นเรื่องเวลาต่อไปแล้วตรงนี้เราไม่ค้าดในเรื่องความเป็นใหญ่จริงใในความหมายนี้แล้วของเราได้เพิ่มความ อีกอย่างหนึ่งเข้าไปคื อ, อ แ, แทนที่จะหมายถึงอิสระบุคคลหรืออิสระตนเราก็เพิ่มความที่เป็นอิสระทางคืออิทธิบาทกั่นคือชื่อหนึ่งของอธิปไตยสิ่งก็คืออิธิบาทอิธิบาทอีเลที่ดีอีกเราเราจะให้ความหมายอย่างชัดเจนในสองคำใหมยนี้ เพราะฉะนั้นคำว่าพระโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะทําความค่ายโดยทำความะอใจในความใหญ่จึงมีความหมาในสองอย่างนะครับและที่พระพุทธเจ้าทรงทําความพอใจในความเป็นใหญ่จึงอธิบายวักวาเดียเขแสดงเหตุผลว่า รอะพระพุทธเจ้าทำความพอใจในความใหญใหญ่โดยหมายถึงพอใจในความที่จะเป็นระพุธเจ้าคือพระโพธิษัต์ปรตนาจะเป็นพรุทธเจ้าพระโพธิษัต์จึงต้องประสบเกตการณ์สิ่อย่างต่อไปนี้ 1. ต้องไปสู่วิมิตบาทสองต้องนอนใน จึงทำให้กัพโตรีแัสนั้นต้องมีความเป็นไปเป็นสิประกันอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดเหตุผลว่าที่เขากล่าวยอย่างนาี้จริือไม่จริงนะฮะสารวัตรทีสารวัตรทีเขจะทีแจงเป็นลักฐานถือไปนะครับคือเขาจะทีแจงผมกระหมดแนกะ่อนจจัยต น, นี้ก่อนนะครับ จะที่แจงคำว่าอิสระในความหมายว่าธิบดีแล้วก็จะที่แจง้งเอุ จริงหรือไม่นะครับก็ยังต้องพูด อ, อะไรในสิ่งสเปรย์น้อยก่อนนะครับคือที่ว่าไปสู่วิมิบาตเดี๋ย ว, ย ว, ใใย ว, ว ท, ท, ท่านไปยังมากรจายกระจายไปเรื่อยคําว่าวิิบาตที่ใช้ในพระไตรปิฎกเนี่ยปรากฏว่ามีความหมายหลายอย่างนะครับยังใครถา ม, มผมผมก็แฉกําอึ้งตอบหมดไม่ได้ก็ตอบเป็นบางทีได้คําว่าวิมิบาตหมายถึงการไปสู่ที่อันหนั ในพระพุทธศาสนานั้นบ้างแห่งถ้านใช้หมายเอาปิตาตวิสัยบางพวกปิติตวิสัยบางพวกในทัศติห้านะครับในทัศติห้านี่จะไม่มีอสุรการอยู่เลยเพราะฉะนั้นปะิติตวิสัยบางพวกคือพวกจิติตวิสัยที่ บาบเบากว่เปรตบาบหักพวกนี้จะเรียกว่าพวกวิญญบาบเราจรึงฟางท่านจึงให้ความลงไปว่าวิงบาทคื อ, อตัวละครนะว่าได้นีเ้เลอแล้ตุละคร ก, ก็คือเปรตบางเหล่านี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่แต่ที่จริงตัวละรมีความหมายในหลายอย่างต่อไปต้องพูดแจ้งดีเลยหมายอะคร เป็นกาตรวจรกาย r i g t h e f ไม่ได้อนแผนนั้นยกตัวอย่างเช่นในสังกีปิสุในเจตุจักวินิบาตนะครับทางมางัชฌิมต้องมีเอ่ยยิงอะไตาแล้วก็มียจมีวินิบาต์ด้วยวินิบาตตรงนั้นหมายถึงเทวดาตัดเี่ยวนิบาตวดาตั ด, ด, ด, ดแล้วก็ เว้นม น, นุษย์ในหลักฐานก็ได้ยินมาเป็นคู่ต่องรัดไล่เลยไปจนกระทั่งถึงเปรตเปรตที่จะรวมอนุรกายกันด้วย น, นะครับถึงเลือกเรียกมีใน บางทีเราจะเห็นว่าคำวาพูดตกต่ำในที่นี้แค่แต่ว่าไทยในที่ไหนจะหมายคามแค่นะั้นแต่ในที่นี้หมายถึงเปลืยกบางพวกที่เราเรียกว่าธุราการภูมิเท่านั้นถ้าสำหรับนอนในคันนอนในคันนั้นตรงนี้หมายถึงเกิดเป็นมนุษย์ค่ะ เนะเรียกว่าน น, นครัใช้เป็นดวงหนอนเพราะนั้นบังทีาสืนกว่านอนเลครับแต่ทีเขาพลกปลกเข้ามาตอนนี้เหมือนอย่างวันนั้นที่มีการแยงกั น, นอเรื่องแล้วผมก็ตอบไม่ได้จริงๆ ก, ะะเก็เรื่องเรียนะึงเรื่องออกว่าไหเรื่องศาตรสองทางวามูเีเจ้ า, าทป็กระเสริฐในหมู่สตรสองทางแล้วมูบอกว่าาสสองทางเป็ น, น ส, ส, สกกัญลักษณ์ของเสริฐเดี๋ยวมาเอาเปนสองทางนะมันไม่เห็นกเิดมันก็จริงครับมันช่ได้ มีปัญหาอะไรหรอเพราะว่าตัดกระเสริญเนี่ยหาได้ในหมูตัดสองเท้าแต่ว่าตัดสองเท้ามนยังจะต้องเป็นตัดกระเสริญทุกตัวตัดกระเสริญแลจะหาไม่ได้ในตัดไม่งีท้าหรือตัดท่ากกว่าสองเท้าใชไมนั้นคาว่าตัดสองเท้าจึงเป็นสัญลักษณ์ของตัดกระเสริญจริงๆพวกเกษตงเนี่ยก็มันสมองเป็นผู้กระเสริกว่าตัดสองเท้าเอาหูเท้าหรือไม่มีเท้าเลยพูดแล้พูดว่าตัดสองท้าแล้วเท้าว่าข่าวไม้ที่ตัดหมูตัดที่ มีอาจจะเกิดเกิดในความมีเท่ากันเป็นทุกขระริยาคือความกำเนิดผลหมาตั ว, าาตวอันนี้แย่เป็นพิเศษหรืออัสจะเกิดมาทางโยมความเย็นอย่างอื่นนั้นไหม <c oughs> ตรงนี้ก็ความหมายครับอยู่แล้วแต่นี้เรามาดูความแตกต่างของสี4ข้อนี้สักนิดี้ี่เลยไม้ได้เล่าความโต้แย้งให้ใเห็นหมดเลยทั้งหมดสข้อนี่ที่เป็นปัหาของเราูดกนอย่าง น, นี้หมายถึงอดีตอันตชาตของกระโพธิสัตว์ชาติท่ไปโน่นท่า ง, ง่ข้อสอง ข้สามข่อสี่หมายถึงปบัติคือภาตที่พระโพธิสัตว์อยากให้กรกะโดดไปรลกุตตจริงๆภูกรักุติยาในโลกุตเจ้าได้เคยมองเห็นมาแล้วเมื่ออดีตชาติเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาตก่อนเคยทำนัลนคถ้าเราเล่าเนี่ยไม่ใช่ ท, แทาแค่าตนี้นะครับชารก่อนเราเคยท แล้วเทียนอย่างอื่นก็เหมากันยกตัวอย่างเช่นความเพียนในลักษณะที่เรียกว่าสัมภารสุขทิ่ท่านก็บอกว่าท่านได้ถือว่าอันนี้เมือนกันได้เวีนยนเกิดมาแล้วเพื่อจะปฏิบัติตามคําสอนของสมณะร า, มมาระมาณเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้ตรงมาตรวนไม่ใช่เป็นสมุทิัตาชาติสุดท้ายเนี่ยได้เคยเวีนยนเกิดแล้วก็รอดูว่าจะทำที่สุดแห่งพภกด้วยการตามเกิดไปไหรือไม่ะก็ไม่พบ จริงออกมาตรงล่าไว้ในชีวิตรสุขกว่าทรงได้ทดลองได้ที่วันใจเย็นเกิดมาแล้วไม่รู้กี่อย่างกี่งเวนแต่คือท้าว่าชนะผมไม่เสร็จไปนอกงานไปมหมดไม่ครบด้ยวยสามเก้าปู่เกิดมาเกิดครบแล้วเอาที่ใครทั้งหลายทั้ง น, าา น, าาาา น, นักตามาดูจะพึ่งไปเกิดได้มันก็แค่เวนห้าปู่นั่นกันก็ไม่เห็นเจอทีอ่ผา นั้นชาติก่อนจำเคยแต่ว่าตรงนี้เนี่ยหุดหลักเราพูดแั่ชาติสุดท้าย น, นีก็่ห็นหนัอพอแต่ว่าเรื่องไปชูนิบาน่ต้องไป็นชาติก่อทชาตินี้แหละเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดกันว่าในข้อที่น่งว่าพระพุทธเจ้าต้องไปสู่นิบาศเพราะเหตุผลอะไรเราพูดอย่างปะาะวัตีพูดกันเหมือนกัน คนที่แต่งพ่ารถแบบงอากมาเขียนให้อ่านง่ายๆหร่อบางทีเขียนทำบ้านเนี่ยก็ยังพูดๆกันไปบ่อยว่าเราพระเจ้าต้องทรงเสียสละดยอมตนไปเกิดในนั้นรกใช่ไหมในในนั้นรกหรือในเปรตเป็นตัดในในฐานถูกตัดคอถูก็คอตัวตัด้าแรงชาดรงแล้วก็เพื่ออะไรเพื่อหวังอะไรในในเวอนทจารดก็มีการแต่งอย่างย่อย บ่งกำตรงบริจาคลูกบริจาคเนี่ตรงกระทำทุกอย่างเอาเอ า, าเอาเร่เอาพระอคเขาสิเพื่ออะไรเพื่อโปรตีน์ยาใ่ไะครับอย่างที่ขอร้องลูกสองคนที่ลงไปต้อนในสาวนัวสิบเปอร์เซ็นต์นครับแวเมื่อก่อนเราพ่อทครงย่ไงนี้ลืมไปแล้วพูดน่าโวยเราหาไม่น้ำาตาลหยดไหลเราว่านี่ต้องให้มาช่วยช่วยพ่อเพื่อให้ได้สำเร็จโปรตีนยหน่อยนะลู อ่านแล้วแม้เราขนลุกั้งตาตงึงเลยะเห็นในความเปรนนาทันยอนที่จะให้ตัวเองประสบอั ย, ะยนะเพื่อที่จะเป็นมืจะพูดยังไม่ถู้ปลูกนะครัเรามาดูกันแล้วก่อนนะครับสองว่าปลูกเหมือนกันแต่ว่ามีข้อพือนที่ถูกใกล้ชิดกว่าเอางนนี้นะคนไปชัวใบกยภูงเนี่ยอะไรเป็นตัวนำไป อะไรเป็ตัวนำอไป็นตัวปัจจุบันเป็นไปได้ไหมเกียงแค่พระพุทธเจ้าอยา ก, กยจะเป็นพระเจ้าจริงต้องไปเป็นระบุราคาก็แค่นั้นเลยเราไม่อยาก ท, ากทาก่านไม่อยากเป็นพระเจ้าท่านต้องไปทำประตูประตูราคาไม่ใช่เหตุผลที่ใช้จริงนะครับเหตุผลที่แท้เจนนริงนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเองก็ยังคงมีอะไรอยู่กันในกรรม มีกรรมจะต้องไปใช่ไหมไปเกิดเป็นตัดได้ช้าอื่นตั น, ก, นก็เพราะว่ามีกรรมจะต้องไปถูกป่ะไปเาะกรรมของท่านเลยเคยตังง้งตรงกันแต่อดีกดนางชาเีด้วยทีนี้ที่เราห้าว่าตรงไปก็ตองจาระห์โภชิยานี่มันเข้าได้ น, นีาแหละทว่าตรงไปเกิดเป็นตะตัวรกายถามว่ารออะไรเหตุผลชัดร ต, รตรงๆรงก็คือเพราะอรราคุณโสรมของท่าน ท, ท่านยิไปเกิดกันะทีนี้ที่เราอ้างวราพระพุทธเจ้าปรารถนาเป็นพุทธญาติต้องไปสูวอัวนกกายก็รถูกเหมือนกันนะแต่มันถูกเวลาตัดใจคือถ้าลองคิดดูนะครับว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงปรารถนาจะเป็นพุทธญาติก็ไม่ต้องทรงมาเกิด ทานแล้วทานเล่าได้รับความทุกข์ทรมาณเป็นช่างเป็นอะไรใครก็ทุกข์ใครก็ทรมานตัวเองในการด้วยใครว็รัตาด้วยเข้านิพทานไปตั้งแต่เมื่อไหรแล้วเมื่อสมัยอยู่ใมตตาหมแต่ตรงไม่ยอมครับการไม่ยอมเข้าที่ทานเท่ากับเป็นการปฏิโธการให้กับอากร์ลักกรรมมันยังตามส่งผลต่อไปนั่นเองนะฮะ นั่นเองเหมือนอย่างในหลงลท่านรับกระจายสดท่านก็ยอมเสียสละความเนื่หนืน่เพราะอากาศของพระองค์ไปสู่ที่ต่างๆให้ตรงบางแต่ถ้าตรงไม่ไม่มีความจมนุกนี้เนี่ยก็ตรงประทับอยู่ในผ้าเชาวงก็ไม่มีปัญหาที่ต้องไปเดือดร้อนจากความเนอยเหนือนน่อยเพราะวัอากาศไปจาะนั้นนแต่เหตุผลตรงที่ต้องไปสู่ัฏวิญา คืออาตุผรกรรมไม่ได้เยอะแต่เพราะว่า ตรงนี้แนละ้วกนะ็มีปัญหาว่าพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่ครนะับก่อนที่จะเป็นพุทธเจ้าเออทุกท่าน เ, ออเออมื่อไดเ้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วได้รับพุทธปยากรแล้วจะทรงไปเกิดที่ไหนได้ที่ไหนไม่ได้เคยพูดกันบ้างหรือยังในในเจ้าห้องอื่นนะครับแต่ในหนังสือปริเเจห้าของอาจารย์โชติกับท่านได้ชี้แจงเอาไว้อย่างนี้นะครับ ไอ้ที่เคยอ่านมาก็จะนึกได้แะไอ้ที่ไม่เคยอ่านก็ลองฟังทบทวนตรงนี้ว่าพระโบริษัต์นั้นเมื่อได้ทรงรับพุทธะเีกรแล้วจะไม่ไปเกิดในภูมิต่อไปนี้นะมีกี่ภูมิไหมครับอ่า่ารัผมจะลองไล่ให้ฟังนะไม่ได้เกิดก็ได้ครับในจำพวกมนุษย์ จะไม่ตรงเป็นมนุษย์ต่อไปนี้นี่จะพบมนุษก่อนไล่ไปพวกโบกคือมนพบพบุนษย์หกชนิดครับหน่คนบอดคนหนวกคนใบ้ไม่ไม่เกิดเป็นพระโพธิสัตว์บอดพระโพธิสัตว์หนวพระโพธิสัตว์ใบ้ไม่ไมีไปนําพระโพธิสัตว์บ้าก็าไม่ได้มันย่งกว่าใบ้ทินะครับประบ่า บ, า บ, าบอๆบองแล้วก็มอปวดตะโกนว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยิ่งเป็นกันไม่ได้เลยนะครับ สองคนเป็นโรคที่สังคมนันต์เจคือพวกโรคเรื้อนโรคกุดถังพระโพธิสัตว์ตกงไม่เป็นเพราะนั้นเราไปเจอคนเป็นโรคอย่างนี้ก็แสดงว่ายังไม่ได้เป็นจะไม่ได้เป็นอนิยตากจะเป็นอนิยตากได้แม่นี่ยิงหนักไปเลยโรคเต๋งคงไม่เป็นนะเพราะนั้นใครกลัวโรคเอ๋งจะปรารถนาโพธิญานกันเลยอาจจะเป็นผู้ิคุมกันได้ สามเป็นลูกทาสในเรือนเบีย้ยนี่ก็หมายความว่าธงอาจจะเป็นทาสได้ละมัแต่ว่าที่เป็นทาสในลในเรือนเบีย้ยมีพู้นอะเป็นมีพ่อเป็นมีพ่อมีแม่ได้ไม่งีหรือมีมีพ่อเป็นนายชาตแต่มีแม่เป็นลูกทาสก็ไม่ได้เสีว่าทั้งพอ่อทั้งแม่หรือแม่คนเดียวพอ่อคนเดียวไม่ได้เทนั้นะสี่ไม่เป็นคนป่าคำว่าคนป่าในหมายถึงคนป่าเถือนไร้อาระยธรรม ที่ไม่มีสํานึกในทางคุณธรรมทีนี่เราก็เคยการลบ ก, กันแรงนะครับคนประเภทนี้พวกประเภทพวกป่าเถืนความเจริญยังไงยังไ ง, ง, ไงพวนี้รับไม่ได้ไม่รักหนีความเจริญจะบอกว่าเอาเข้ามาเมืองหลวงพวกนี้นะป่วยเป็นแถวเลยใ <c oughs> นแก๊งยำเร า, ากินน้าตาลนเนี่ยกินของห ว, วานก้อนน้ำตาลเนี่ยป่วยเลย ตัว่าร่างกายเขากินสาพรพัดหลายต่างๆที่เป็นเรื่องป่าเรื่องดงอยู่ในนี้ไม่ไดใ้ให้เราซื้อรถเขาอยู่เขาอยู่ไม่ได้ให้เราจ้างเขาด้วยเงินไปท้องยังไงเขาก็อยู่ไม่ได้นี่กปกฝระหลังก็เคยเอามาชุกเรียนกันนะแล้วก็ผลเขาบอกว่าออกมาอย่างนี้ห้าไม่ทรงเป็นผู้หญิงประพันธ์ศิษย์ที่รักคุทเบอรกรแล้วไม่เป็นแล้วก็หก ไม่เปลี่ยนเพศคราว่าเปลี่ยนเพศหมายถึงเป็นเพศหนึ่งเปนเพศชายแล้วและเพื่อนก็ต้องแด่หละครับต้องเป็นเพศชายเปลี่ยนเป็นผู้หญิงไม่ได้นี่เป็นกะเทยได้นะไหนฮะในชาตินั้นนะในชาตินั้นหรือชาติอื่นก็คงต้องว่าด้วยครับเพราะว่าเปลี่ยนก็ต้องเป็นชายยืนลงอยู่แล้วใช่ไหมจะไปเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ก็คงต้องบอกว่าเปลี่ยนเป็นเพศหญิงไม่ได้ชาตินั้นก็มันเปลี่ยนชาติเรนเพราะฉะนั้นก็เคยยิงเป็นมันไม่ได้แต่ว่าเราเคยอ่าน ชาติกของพระพุทธเจ้าที่เขาแบ่งเป็นสามช่วงนะครับช่วงปรารสนาด้วยใจปรารสนาด้วยอวาจาแล้วก็ปรารถนาครบตั้งไตรทาวารครบไตรทาวารนี่ก็แปล ว, ว่าเป็นสมัยที่ราพุตเดียวก่อนนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นคือกอนซีกอนสีอาสงไขกระแสน้ำกลับเนี่ยได้ทรงเคยเกิดเป็นกระเทยผมจะเ ล, ล่าในฟังย่อๆที่ ในชาติหนึ่งทรงสวยประชาระดับในายท่านของลูกงามแล้วก็มีฝีมือในการ ท, ทําทองจริงๆเรยอว่าสามารถที่จะทํา ท, ทองให้เหมืนกับคนได้ดูท่าในําเรียนแบบเท้าไดะเรามีฝีมือนะเป็นพวกมีฝีมือจริงๆทีนี้ก็มีท่านเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากแล้วก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวก็มีเศรษฐีเมืองอื่นตระกูลอื่นเขามาขอแล้ว ก็ไปงา น, นว่ายกให้ตกลงจะแต่งงานกันก็หาช่างทําทองเป็นเครื่องประดับวันแต่งงานก็สืบความได้ว่าช่างทําทองคนเนี้ยมีฝีมือมากทีนี้ช่างทําทองเนี่ยเขาจะเ้าเรียกว่าอะไรนะือจะทําออกแบบให้มันมันสวยจริงๆต้องดูตัวด้วยในชะ่ไหมใช่ไหพวกพวกที่เขาจะตัดเสื้อผ้าจะทําผมเนี่ย เขาดูตัวดูผิวดูความสูงความตาำด้วยไรเล ย, เ, ลยเขาจะได้ทําให้มันแนบเนยียนจริงๆเข้ากับบุคลิกลักษณะผิวพรรณของคนงนั้นก็จําเป็นจะต้องเห็นตัวของลูกสาวเตรษฐีนี่เศรษฐีก็กลัวเห็นด้วัยช่างทองมาลูกหลอกไอ้ลูกสาวที่จะแต่งงานนี่เองไม่เจอจะเบาเลยปเดี๋ยวเกิดจะไปรักชัางทองก็มายุ่งองก็เลยบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปบอกช่างทองบอก มาเห็นแต่ขาไม่เห็นหน้าพอจะทำได้เหรอ <c oughs> จัางทองก็บอกได้คือแกเห็นตรงส่วนนี้แล้วก็อนุมาตส่วนอื่นได้แต่ก็บอกได้ก็เลยเอามานั่งย่อนขาให้ช่างทองดูจ่างทองก็นั่งทำไม่สนใจแตลูกสาวเนี่ยก็เกิดสงสัยเี้ะทำไมเราต้องทุกทีเราจะดูอะไรรูใครมัก็ได้แล้วทําไมเดี๋ยวนี้พ่อถึงมาสั่งให้ไงให้ก็ดูแต่กาสงสัยว่าเ็ในใน ม่านน่จะมีอะไรใครนะก็เลยอดใจไว้ไม่ได้แอบดูพอไปเห็นก็สนันสน่ะก็อย่างว่าสาวแต่กีก็มามาเทนบ้านขลางเราแล้วไปเจอสุภาพบุรุษน่มรูกงามก็เกิดความรักขึ้นมาอย่างจับใจพอเรียบร้อยแล้วแกก็บอกแหมเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยรักใครเลยนักแน่กันเพราะว่าคืนนี้นะตื่นๆท่านไปรอดี โคนต้นไม้หน้าบ้านเวลาพ่อแม่หลับแล้ว่็ยังจะลงมาหาให้ลงมาหาเราจะได้พัวไหนเป็นอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยกันจ ะ, จะเดียวไปจะหนีพ่อ น, นี้แม่ไปละเ<ม>จ้าบาปไอ้เจ้าเพระโริษัทว์เองก็เป็ว่าถุสารรับปักกิบเหมือนกันรับใจตรงกันอกไปรอทั้งเรายังไม่ทันจะเดึกดีแล้วนั่งตบยุงพวกีเพี้ยๆรอจนกระทั่งเอ๊เด็กแล้วก็ไม่เห็นหมานี่เป็นเรื่องของบอกกุปการ ก็เลยหลับไปพอหลับไปแล้วผู้หญิงเข้ามากิ๋วของอของันของกวาดมาให้ด้วยรอยรู้เป็นโกลจนกว่าพองมาถึงเจอพระโบริษัทนอนหลับกรอกติดครอบฟริก็บังเอิญตอนนั้นก็มีทำเนี่ยมคนหลับห้ามปลุกก็รูว่าเบาก็เลยเปลาเองไม่ยอมตื่นนาทีไม่ยอมตื่นก็เอาเป็นโต ว, วางไว้แล้วสักคืนต่างๆไปขืนทิ้งจดหมายไว้บอกนั้นผู้นี้เจอกันใหม่ ตอโบริษัทก็มานออีคืนที่สองเขาหับอีครับเพราคืนที่สามหลับอีมันก็ใกล้วันแต่งงานใกล้แล้วนี้ต่อโบริษัทก็นึกไว้ในนี้ท่านมันจะเป็นเรื่องของเวกรกรรมที่เราฝืนห ล, ลายก็ไม่เป็นธรรที่จะคนหลักได้ผู้หญิงก่อนเรื่องพเป็นเวรกรรมในที่สุดวันแต่งงานมาถึงเจ้าสาวก็แต่งงานไปแต่ว่าทั้งคู่ยังรักกันจนกระทั่งเจ้าบางเขามาอยู่ที่ประสาท ที่สร้างใหม่มาอยู่กันเป็นลามีภรรยาเป็นเดือนแล้วนะเจ้บาบอกเออโปรพิสตัดก็คิดมาทํายังไงถึงจะได้ยังสาวในขนาดต้อมีสามีแล้วน ะ, ะโปรพิสตัดเรายังยังอยากจะได้ก็วางแผนจริงไปไหว้วางโปรโลหิตคนหนึ่งด้วยการทําท้องอย่างดีไป เ, เอาไปเส้นไปอยู่กับตระการคาร์ลัสตันไปขอร้อง บอกเลยค่ะไซด์ตำแหน่งหน้าที่ท่เนี่ยไปช่วยช่วยพาผมเนี่ยไปในประสาทนะท่านใดโดยผมจะปลอมเป็นผู้หญิงและให้ท่านหบอกว่านี่เป็นน้องสาวก็แล้วกันบอกไปห้างเราจะไปการศึกการสงครามห่วงน้องสาวขอให้อาน้องสาวเข้าประสาทอยู่ด้วยกับลูกสาวของท่านสิรษฐีดีเถอะแต่เศรษีเขาบอกเขาแต่งงานแล้วยูไม่ได้บอกในหะ้หน้าขอร้องจะรีบมาโดยเร็วเลย แต่จสี่ก็บอกเอาอย่างนั้นก็อยู่ต้องไกลๆกันคนละห้องกันบอกไม่ได้บอกแล้วสามีทางานสามีทงมงรงกลับบ้านมากกว่าก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นเดือนเนี่ครับเป็นการผิดศีลขอ้ขอที่สามของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์จึง้งไปเกิดในนรกแล้วก็มาเกิดเป็นกระเทยอีกลายชาติกันนี่ยังไม่ได้รับภูตตาพยัคฆ์ก่อน แต่เมื่อได้รับพยากรแล้วก็มีระนานี้ไหนฮะครั้งแรกครั้งแรกไปครับก็มันก็เป็นบาปเนี้ยก็เป็นบาเหมือนกันแต่ร่วงอ่ะเราถือว่าร่วงไหนฮะกุศลครับ ถึเรื่องนี้จช่ไหมว่าที่ครับก็ก็คือว่ากุศลที่นีอกขุศลเป็นบริวารทําให้เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมนุษย์ตาบอดแต่ในแทนที่จะตาบอดจะมีการตอนนั้นก็มีการตรงเพศเป็นเป็นพิการตอนนั้นก็กเป็นอกุศนแท่ทออก็ในนั้นเขาไม่ได้ระบุว่าเป็นกระเทยลักษณะใดแล้วกระเทยีหลายแบบนะครับในนั้นไม่ได้บอก <c oughs> อันนี้จะเป็นเรื่องแตกที น, นี้ถ้าไปเกิดเป็นเทวดาหรือเป็นลมนะครับรวมกันก็รวมอยู่ในคำว่าเทวภูมิหมดนะทั้งกลางเมฆและก็ลมเท ศ, เทศหรือหนึ่งไม่ได้เกิดเป็นเทวบุตรมาหรือว่ไงไ่ายจะเกิดเป็นมาแล้วก็สองไม่เป็นอาสันยีต ส, สามไม่เป็นสทาวาสงห้าปูสี่ไม่เป็นฮาลุอบักพก นั่นมีเหตุผลอธิบายทั้งนั้นทีนี้เมื่ออ้างว่าไม่เป็นเทวบุตรมารเนี่ยและทําไมเทวมารที่ประชมพระพุทธเจ้าจริงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้แสดงว่ายังไม่ได้เป็นนิยะตาโพธิสัตว์ใช่ไหมครับมานตอนที่เป็นมารแล้วก็ปรารถนาเป็นพุทธเจ้าจะได้เป็นพุเจ้าเนี่ยแปลว่าท่านยังไม่เป็นนิยตาโพธิสัตว์ สุทธาวาสาวาหะแล้วก็ลูกประภุมสินี่เป็นเป็นพวกเทพนะฮะถ้าไปเกิดเป็นเทพจะไม่เป็นพวนี้ต่อไปถ้าไปเกิดในทุกขติจะไม่เกิดเป็นอบยายสัตว์ามพวกต่อไปนี้คือหนึ่งสัตว์เนร่างฐานที่เล็กกว่านกกระจาหรือถ้าใหญ่นะครับก็ไม่ใหญ่กว่าช้าง นั้นทิสัตว์เดรัจานธิกายใหญ่ปว่าางนี้ก็มีกันแยะพระพุทธเจ้าเอาพระบพธิสัตว์ในเป็ตต่อไปเ ป, ปรดปกปิดวีสัยนะครับจะไม่เกิดเป็นเปรตที่เรียกว่าขุปปิปาธิกาเป ร, ปรตอำโจทย์มาในคุณหมูแต่ที่วันปกปิดการอิกันคือ ในี อ, อ่อย่างกย่ที่ไม่เกิดก็คือิจฉาทัานติกรรมเปได้แก่เปลที่ถูกไฟไหมถูกไฟไหมดวเหมือนใกล้ๆันกนะแต่ไม่ใช่ตัดนรก่อนมอาตัดนเียนหมายครับิาันติกรรม เป็กุไฟไม้โชนต่อไปการันติกาเปรตหรือเนียกอตาอานนี้ตาบุญกระดการันตีกาบุญ น, น, นั้นเป็นเปรตที่มีรูปร่างบางแบนเหมือนกับใบไม้แห้งเรกวเปรตเป็นเปรตหอมมากไม่ใช่เรมีแรงป่าเล็กเท่าลูกเห กินน้ำบำบัดในอันลาฮเราไว้นะครับแต่การรักาเปรตเนี่ยในในเรวัหรือการรักษรคนนะครับเร่องยาอาจจะให้บอกให้ทัว่าเป็นศัลกมก็ตาุะก า, ะก า, ะก า, าอาจาอาจะไม่แย่ศักรินูมหนึ่งสาขาก็เรียกเปรตไปกไดัก็ครั้งหนึ่ง ไอ้เปรตประเภทนี้มาล่องห้อยหวนอยากจะกินน้ำอยู่ที่แม่นม้ํำคงคาก็มีปลาสามสิบลูกเห็นค่าก็บอกว่าแม่น้ําคงคาก็ปรากฏอยู่ทําไมท่านไม่ดื่มเจไก็บอกว่าไม่เห็นมีหามองไม่เห็นได้ยินแต่เสียงน้ําไหลจอกจอกจอกจจอกแต่มองไปแล้วไม่เห็นน้ำปลา ก, ก็บอกว่าเอาอย่างงั้นท่านนอนลงดีจะตักน้ํากรอกปากให้ เปรตก็นอนบลัดตักน้ําองค์ระบาดระบาทระบา ท, าบา ท, าบาทเดินเวียนกรอกบปากเปรดมันก็เหมือนกับกรอกน้ำใส่ลูกเห็บเข้าไปได้เพียงนิดเดียวเองจะถึงโยนหรือเปล่าว่าไม่รู้นะเลี่ยวเข้าไปน้อยจริงๆอันนี้เป็นเปรตที่ลำบากจึงไม่มีแรงนะพอเห็นจะเป็นว่าน้ําผ้าไม่ได้กินถัดไปเปรดตะวีใส ต่อไปนรกโลกอันตรนรกมาไดเกิดโลกอันตรนานรกก็คือนรกที่อยู่ระหว่างขอบจากสวรรคประสานกันแล้วก็มีนรก ท, ที่นั่นแต่นรกในภูุ่มนี้ตะกายปากขอบนรกเกิดขึ้นและต่างคนก็เรียกว่าต่างแย่งย ก, กันตะกี้ตะกายใครหล่นลงมาก็ถูกแต่โตตัวที่อยู่เมืงล่างจากฉีกเนือกิน แล้วก็ในเอาเวจีนรกไม่ไปเกิดนี่แสดงให้เห็นว่าพระโพธิษัทนั้นยังไปเกิดเป็นเตาะพวกได้ที่เวกําไม่แรงโดยเฉพาะปารัชตซประชีติจิตมีเป็ะรับส่งมสรได้พระพทธเจ้า ย, ยังไปเกิดในนรกที่เวนีสองขุมมีพรบุตรเจ้าก็ไปเกิดได้ถ้าหากว่า ก, กรรมที่จะนําไปสู่นรกส่งผลนะครับก็ไปได้เพียงภูมิอื่นสองภูมินี้ไม่ไป แลวก็ที่พิเศษที่ก็ะโพธิษัตว์าจะเกิดคือไม่จะเกิดในจักรวาลอื่นและอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่บรรลุเป็นพระอริยบุคคลรู้ไม่ได้ก็รู้ดีอยู่นะฮะหมายตรงนี้ต้องพูดเป็นเยอะแล้าขบวนหาไม่จบก็เอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนก็ อ่าแต่ท่านเป็นปัจเจกท่านเป็นปัจเจกครับครับก็ถือว่าเขาปัจเจกก็เทวทัต ก, ก่อนนับว่าได้รับพุทธปยากรแล้วล่ะเห็นไหมว่จะได้เป็นปัจเจกแต่เวลานี้ยังอยู่ในโลกอันนี้เป็นข้อจํากัดในหลักการที่ท่านวางไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นมินิบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าไปได้ขิ่เป็นปัญหานะ วินิบัติไปไจริงแต่ไปด้วยอะไรนั่นเป็นเรื่องที่จะต้องทําความเข้าใจกันตอนนี้เราก็มันเรามาเข้าเรื่องได้เลยก็แล้วกันนะข้ออื่นทีอธิบายนในเรื่องดูคําถามในเอกสารชุดที่18คำถามที่หนึ่งนในปรเด็นของการไปสูส่วินิบาตว่าพระโพธิสัตว์ไปสู่วินิบาต คือเปรตบางพวกดางกล่นะครับเหตุกระทาความผิ่ในความใหญ่คือเพราะอยากหรือเพราะพอใจในความใหญ่หรือเราต่อถามพระวารีอันนี้พระวารีตอบว่าใช่ใช่ตามความหมายของพระวารีเขาหมายถึงเพราะถ้าไม่ปราถนาเป็นเจ้าเสียก็ไม่ต้องไปเวียนเกิดให้กรรมมันได้ช่องตรงผลไปเกิดเป็นอตุรกายเขาหมายความอย่างนอ้นซึ่งตรงนี้จะเรียกว่าถูกก็ถูกไม่เหมาะใช่ไหม ตรงไม่หมดจริงๆแล้วท่านใจเกิดก็ราะอคติระกรับนี่เป็นเรื่องหลักนะครับแล้วก็คําว่าความเป็นใหญ่ก็ยังต้องชี้แจงอีกเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเกิดอะไรดิจะบอกเลยนะบอกไปเลยแล้วจะได้พูดข้ออื่นไปด้วยอที่ว่าพระประทําความใพ่ในความเป็นใหญ่ตามความหมายของพระาทีเข้าหมายถึงเป็นใหญ่หรือเป็นรูปธรรมแต่มีความหมายอีกความหมายหนึ่ง ถ้าปรารภีหมายความอย่างนี้แล้วก็ผิดทุกเรื่องเลยเนียคือท้าหมายถึงเพราะเป็นผู้ที่กระทําความใครในอิทธิบาตีซึ่งหมายความว่าเป็นผู้ที่สำเร็จอิทธิบาตีเอาความรักมาืนั้นเลยนะเป็นผู้ที่ได้อิทธิบาตีจึงทําให้ทรงไปเกิดเป็นวิบาตเนี่ยผูกเรื่องนะมไม่ผูกเลยผิดร้อเป็นั่นเราใหดูนะครับเราจโยงเรียนว่า เราความคาในความมัใหญ่และใหญ่คืออธิบาทสีเพราะเป็นผู้ทีมีความพใจที่ในอิธิบาีคนพอใจทีิบาีก็คือคนที่ได้อิธิบาตรีหมายถึงได้อิธิบาตรีอแรกที่อิทาทีมั่คศักอิทธิบาีถ้าในระดับพระโพธิสัก็เป็นอธิบาทที่ยังไม่ถึงขั้นโลกุตตรลใช่ครับเป็นไปได้นะครับอิธิบาที้ถือว่าเป็นกุศลนะเป็นกุลในระดับชาง คามจริงอ่อนบาญชาก็มีการการแสเน่หมายในนายบัญชาที่จะทรงใช่อิบายเพื่อความสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคำอลิบายหรือเป็นมูลจรงๆอิบายคือบารฐานของความสเร็จถ้าทนกฎระก็เป็นบารของการไข่มากกานิพานจะทำความไข่ในามใหญ่คือทรงไข่ยต้งทงได้อธิบายเเก่งนั้นจึงทรงไปเกิดเป็นอัตตุลัยพายาทีิก อันนี้ก็จะยากที่หลังนไม่ถูกนั <c oughs> ่นก็ตรงนี้ก็ให้สบาใจว้าตรงนี้ก่อนว่า <c oughs> ตามความหมายในใจของปรัชญาทีหมายถึงอยากจะเป็นผู้เสียเกีริสิ่งต้องไปเกิดอย่างนั้นสิ่งถูกไม่หมดนะครับเรากล่าวว่าถูกไม่หมดแตาเมื่อตอบว่าใช่เมื่อตอบว่าใชา่ อ, อ, าชายอย่างนี้เราจรึงถาม <c oughs> ในคมถามต่อไปว่าพระโคติสัตไปสู่นรกคือไปสู่นรกแปดขุมอ่าเรื่องนี้ผมพูดมาให้ปรุนอธิบายมากจบยากกันก็อันนี้ต้องโดดๆบ้า <c> ง <oughs> ถ้าท่านรู้รายทื่นรกแปดขุมนี่นะครับในประบาลีเองมีแค่เจ็ดเท่านั้นเองข้อเจ็ดไม่มีนะครับที่ผนใส่วงเล็กไว้ ไม่มีในนั้นจะได้เหตุผลใดก็ไม่ทราบแต่ก็ทำไปยามแต่ว่าเป็นไปยามที่ดูแล้ไม่นานจะมาลงตรงนั้น <c oughs> แล้วก็การเรียนลนดับนรกแปดกุมนี้ก็ออกจะต่างกับที่เราเรียนมาในวีดีที่ห้าหรือในที่อื่นอยู่บ้าง